ก็แต่ถ้าเร า, าวง า, ง า, างใจไว้ม่ถูกต้องมีฉลาดควาใจนะมันก็ไมีอาจจะเป็นสุขหรือได้ประโยชน์ที่สองหรือก็มีความทุขแต่ใจสำคัญก็คือว่าเราอยูข้องกับสิ่ต่างๆอย่างไม่ถกต้อง สัาพูดไปให้ชัดเจนหรือว่าสรุกแบบเจาะจงไปเนี่ยก็คือเราทุกเบออความยึดติดเข้าใจเราก็ยึดติดอันนี้ไปยึดติดนี่ยึดติดอะไรบ้านหรืยึตยยดติด น, น, นลักษณะใดบ้างงรือยึดติดในอดีตใีอนาคตแล้วามว่าติตใจขาดไปแล้ว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 ยิ่งคิดมันก็ยิ่งซ้ำเติมให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์หรว่าเป็นหนี้จัดการหรือบาดแผลลงไปในใจเรามันอาจจะไม่ต่างจากการที่เราถือเสศษแก้วไว้ในมี ถ้าเราถือฉยมันก็ไม่เป็นอะไรแต่บอเรีเรากรรมเราดุเรากรรมครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็เป็นแผลก็เกิดอาการฉลอกขึ้นมาเลือดจะไหลแล้วถามว่าไอ้ที่เลือดไหลายที่เจ็บปวดนั้นเนเป็นเพราะเศษแก้วหีืเป็นเข้าใจเราหรือเพราะมือเราไป เพียงอยู่ยวเพียงกามตามเราตามเราเปิดแก้ววาววม์เ่องนไม่เป็นรหรอกแต่เราอยู่กับตามเราตามเราเราก็เจ็บแล้วจ ะ, จะเป็นทุกข์ใครอันนี้เราเป็นพลเป็นผลจากความที่เราไปยึดติด็นสิ่งที่มันเป็นอดีตที่ไม่น่าห ย, ยุดหยุไม่น่ทาทำใจแต่ก็อดไปคิดไปคิด มันไมาเราก็ไปคิดนวถึงอนาคตว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้วเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ทุกเสียตักสิงที่เร า, างวงขึ้นวันช้างก็ทำการรวมกันสนนรุปมาเพื่อตรีตัว่อ คนเจ็บคนป่วยเนี่ยไมไทุกที่ใจเดียวแต่ว่าทุกใจล้ว ไ, ได้ทุกเพราะโรคภัยใครเจ็บอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าไปไปเปลี่ยนเปื่อ <c oughs> <c oughs> กับชีวิตก่อนที่จะป่วยว่าก่อนหน้านั้น ยังเดินได้อยู่เลยก่อนหน้านั้นฉันยังไเที่ยวได้ฉันยังทำอะไรได้แต่ตอนมี้ฉันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าอาจจะเปารมณ์พติการหรือว่าอาจจะต้องสูญเสียเอาบางระบางอย่างไปหนูเพียงแค่ว่านอนส่งอยู่การเป็นึกเดี๋ยเที่ยวกับอดีตที่เคยมีความสุขแต่ตอนนี้ไม่เกิดเช่นนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ความทุกข์ เพิ่มเติมแล้วเป็นทุกทางใจหรือบางทีกไปคิดถึงเรื่องข้างหน้าว่าโอ้ฉันเป็นโลกนี้แล้วข้างห น, าน้านี้มันคงจะแย่นะพอไปคิดไปถึงเรื่องข้างหนา้าเท่นั้นเองก็สุดเลยลมีหลายคนที่ที่แรกก็เดินเหินได้ไปหาหมอ ด้วยตัวเองแต่พอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยพอที่คานี้ทัานั้นเหี่ก็เรียกว่าสุดเลยกินไม่ได้มนไม่หลับไม่มีเรื่อง ม, มีแรงหรือหมอบอกว่าเร็นโรหัวใจนะที่เคยเดินหัว ไ, ไหนมาไหนได้ขึ้นบันไดได้ก็เป็นอันไม่มีแรตอันนี้ถามว่าเป็นเพาะ เพราะโหัวใจนี่เป็นเพราะใจเนี่ยไปกังวลล่วงหน้าไปสร้างภาพว่าโอ้จะต้องเป็นเหมือนวันเรื่องนี้อย่างที่ได้ยินได้เห็นคนเขาเป็นแต่ไม่เครียดตัวไมเป็นหรอกแต่ว่าสร้างภาพไปล่วงหน้าแล้วก็ไปกัวงวลใส่ยุดติกับสิ่งที่สร้างภาพเอาไว้เลย ต้องอยู่โรงพยาบาตลตอหมอกม็บอกว่าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้สามเดือนปรากอยู่ได้แค่องาทิตย์เท่านั้ น, นก็ตายลอันนี้ไม่ใช่เพราะายะเพ้ามเ็นะแต่ตาเพราใจทีมันไปติดกับสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าัไม่ทันเกิดหรอกแต่ว่าไปไปสมัมผัสมันว่า น, นั่นเลยมุสลามตะกนอะไรอะไรจะต้องปว ด, ปว ด, ปว ด, ดน่องวดนี่เนี่ยถึคุณก็เป็นกัน้าไปสร้างภาพรวมหน้าไรเนี่ยก็ไปต้องเนกันไมอันนี้เราไปพิสจน์กันขนาคเวลาเกดเวลาป่วยเนี่ยต้องระวังตรงนี้ให้มากเพราะว่าใจมันจะไปไปสร้างภาพรวมหน้าอะไรนะรว่าเป็นตัวไปก่อนใคร แล้วเป็นเราทุกตอนี้มาคิดว่าเเิอดีตก็อนาคตั่วตีปัจจุบันนี้ก็สบายดีนะก็ไม่เดือดร้ออะไรนะแต่พ่อมีการเปลียนเทียงอดีตที่เคยดีรือไคำนวณล้ะอนาคตว่ามันจะไม่ดีรือจะเรวล้าไกว่านี้เลยเนตุการณาทุกทันทีแล้วก็ทุก้ำเติกว่าที่เป็นอย ในลักษณะที่สองก็คือมาเป็นทุกข์เพราะไยึดติดกับสิ่งปรุงแต่งไปยึดติดกับความคิดปรุงแต่งซึ่งแน่นอนต่อมาเรื่อความคิดปรุงแต่งในทางลายอานจะไม่ใช่เป็นเรื่องอนาคตทีเดียวกับ เ, เรื่องปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าเป็นปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมามาจบมาทับอย่าเช่นมีคนคข้ราย จะตเวก ส, กนนนสอนอน็นอนเก็นอนไม่มีเร่ยไม่มีแรงต้องให้สอถามให้้ให้ยาบาลถามเข็นว่าเจากตรนี้คว่าผู้่วมนนมีเรี่ยวไม่มีรงถ้าจะก็ดูอาการแล้วก็สถามใช้เวลาไม่นานก็ เสร็จแล้วก็คุยกับนักศึกษาแพทย์แนละที่มาดูที่มาระดูงานนามาดูคนไข้ด้วยกันนะบอกว่าไี่เป็นอะไรหรอมันเป็นไข้อย่างเี้ยอนะายุยากัวดี่แลนะ้วยานะรักษาไนะม่ยาเดี๋ยให้ยาให้ให้เล็กให้ตีนเล็กแต่ก็จะดีวันดีคืนพูดจบอันเปน ที่คนไข้บอกว่าคนไข้ลุกขึ้นมาได้คนไข้บอกว่าถ้ามันหายได้นี้ผมก็เริ่มเกลอแล้วนะทีขนเห็นเก ล, ล, อเเก ล, ลือเป็นอยู่กทีแรกไม่มีแรงแต่ทาไมทีนี้ก็มีเรื่องมีแรงขึ้นมาเพราะอะไรแค่ได้ฟั ง, งหมอพูดก็มีเรื่องมีแรงเพรารู้ว่าตัวไมไ่เป็นอะไรมาก ก่อนนั้นนะเนี่ยที่ไม่มีเรื่องนี้แหละผพว่าไปคิดปรุงแต่งว่าสงสัยจะเป็นมะเร็งหรือว่าสงสัยจเป็นอะไรกาเงี้ยคุณไปคิดปรุงแต่งคือารปรุงแต่งมันคิดึ <c oughs> ้นได้นมันไม่ใช่เรื่องกิไม่ใช่เรืองเสียหายแต่ว่ามอไปยึดติดกับสิ่งที่ปรุงแต่งืว่าปรุงแต่งในทางลานี่ยางทจเป็นปัญหาขึ้นมาไความปวความโมโหก็เป็นปัญหา หาที่มปที่ก็เป็นโจมกบมถ้าล้มมันันเป็นความปุงงันเ็การในทางร้ายไม่ำเป็นงเนอหาในอนาคตแต่เป็นเ่งี้เกิดขึ้นปัจจุบันจะทุจริตจะล้มหน้ามาไปในทางร้ายเสแล้วเราก็ถราเ็ยิกับมันเราก็ทุกเลยอันนี้ก็อจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับเพื่อนในความสัมพันธ์บครอบครัวกับสามีภรรยา เขมีพฤติกรรมบางอย่างเราก็ปรุงแต่งไปแนละ้วจึงแต่งไปสร้างเรื่องสร้างราวเสร็จสับล็อกไปยึดเจ็บออกมาเนะี่ยเชื่อมันเป็นจริงเจจังเนะีโดยหาคิดได้ว่าท่า น, นี้มันมีแค่ความคิดมีแค่การปรุงแต่งเท่านั้นนะพอไปยึดมันเข้าว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะใจก็ทุดอะ อาการร่างกายก็ไปด้วยกันทีนี้ปิติอย่างที่สามเนี่ยมันก็คือการประยุกติกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาประยุกติกับปัญาต่างๆที่ผ่านเข้ามาโดยผู้เรียนควรจะยึ ด, อดอเอาสิ่งต่างๆมาเป็นสัญหาของตัวคี่ชีวิตคนเราเนี่มันก็มีสิ่งที่ไม่ถูกใจหลายอย่าง มีสิ่งที่ไม่สมบวังหลายอย่างแต่ถ้าไปยึดไปจิกไปเก็บไปสะสมมันเอาไว้มันก็กลายเป็นกลายเป็นปัญหาชีวิตขึ้นมาหรือไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้ว่าปรึนกนาของตัวมันก็หนักกหนักใจขึ้นมาทันทนะีก็มีเรื่องเราว่านนี้เป็นเรื่องหลายสิบปีนะสมายที่คนเด็กครับ สัรวชาเป็นวิทยานะครบพระบวรทนนานหนงสอนพระชนมอยู่ก็มีลูกสิธิ์มาเป็นหลายทหารมาด้วยสีหน้าที่ไม่เคยดีมาดูเป็นลูกศิษย์ของท่า น, น, นก็คงจะมาห า, หาอยู่บ่อยๆสมัยนั้นการเข้าเข้าสังฆราชเป็นเรื่องไม่ยากไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสมัยนี้เพราะนั้นก็ไปเข้าๆอยางนั้น มาถึงก็ปูนแล้นก็ทำได้แไม่หวไม่ไหวหนักเหลือเกิหนักเหลือเกินแล้วก็ถามว่าหนักรื่องอะไรในฐานะนี้ก็เล่าว่ามีปัญหาเรองครอบครัวปัญหาเร่องลูกเรื่องที่ทำงานแล้วก็เล่าเลยปัญหาทั้งนั้นปวดใจบอกไม่ไหวหนักหนักแล้วก็ทำได้เฟังฟังอย่างเดียวเลย จะไม่ได้ไม่ได้ตอกอะไรเสร็จแล้วความเสร็จกนะ็วโคร ง, งานนะเป็นสิบยี่สิบนาทีมีแต่ลูหนักๆท่านก็บอกว่าเอาให้ทำอะไรสักอย่างได้ไหมบอกว่าได้บอกหอาหน้าพุกเขาเอามือยื่นมาทั้งสองข้างแล้ว่านก็เอาเอาไว้ดูกระดาษนะให้กระดาษเียตงเนี่มาก็บอกว่าต้างอย่างนี้นะต้องเป็น ไ, ปไหน เด้วท่านจะเข้าไปทำธุระในตันหนักเดียวแล้วท่านก็ถ่าย้านาทีก็แิบนาทีก็ลสิบห้านา 10, ทีก็แล้สิบนาีก็แล้คนนั้นก็ถือกระดิ่งกระดาษที่มันเป็นเบามันก็กลายเป็นหนักมากหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนจมเบอร์ที่สัมเลบอกว่าท่าน ตัวเต็ ง, งางแบบผู้หนักมากนะนะนักเกินท่านต้องัวทาอะไรบอกว่าถ้าหนักก็วางสินะถือไว้อย่างนี้มันมันก็ต้องหนักเดียวับธรรมดาในี่ท่านท่านสอนนะโดยที่ไม่ได้เทศจนะให้เขาได้เห็นเองว่าอะไรก็ตามเนี่ยท่านไปคิดเอาไว้ท่าป็นยึดติดเอาไว้เนี่ย น, น่าจะกระัดจเกิดโอกาสเป็นหนักแล จากปัญหาของอานายฟานคนนี้คือว่าไปยึดเอาทุกอย่างมาเป็นปัญหาของตัวเนี่ว่ายึดแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้อะไรที่ผ่าเนเข้ามากลายเป็นกนหาหนลนกายเป็นปัญหาหมดแล้วเมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่ใช่ท น, นั้นก็ยังปยไปยึดไปเก็บไปเก็บเอาไว้อันนี้ น, นั่นการสอนให้ว่าให้จับปล่อยจับวางไม่ได้เอา เก็บสะสมทุกอย่างมันเป็นปัญหาของตัวงบประมาณทุกป้อนเ่องนี้มากคือตอนนี้ถ้าจะไปเท่นไปนมองมันต้องมีตัหารอบตัวมีปัญหาไปได้ทุกจุดทุกมุแต่ถ้าเราไปทิ่เก็บไปสะสมมันเาไว้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจางการสะสมขยะไว้ในบ้านมากๆเข้ามากๆเข้ า, ขามันก็หมดมันก็มันก็รกมันก็ ที่นี่เป็นก็เป็นความยึดติดลักษณะหนึ่งซึ่งก็เจ็บมากเนื่องจานที่ชอบมองอะไรเป็นตนักแล้วก็เกิดไปคิดมว่ามันเป็นตนกของตัวแลนิยึดติดอย่างที่สายที่มันมันสันมันเดเข้าปใ้นยคือการจะยึดติดว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นทุกข์ของชั้นมันเป็น มันเป็นผู้แรกคือไ ป, ปยึดติดเป็นตัวกูของกูนียึยดติดเป็นตัวกูของกูขึ้นมามีความโกดเกิดขึ้นก็ไปยึดว่านี้ความโกรธของฉันฉันโกรธตรงนี้เนี่ยนะอะไรที่เกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีเนี่ยคือเช่นเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา การที่เกิดปูนปลาทึบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาเพราะว่าทีวิตมัเกิดไปวยทุกสิ่แล้วมันมีความทุกข์อยู่ข้างนัแต่ไม่ได้ประการที่เราเป็นยุทธมันเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวผู้ของผู้ขึ้นมามันทุกทันทีเลยนะถ้าเป็นผูเฉยๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ก็เป็นผู้ของแสนเป็นตัวผูของผู้ขึ้นมาเนี่ยทุก ครั้ที่ไม่ชอบทุกข์นะแต่ว่าเราโคตไปยึดไปติดก็มันเป็นเราเป็นของเราเป็นเมาเป็นเป็นของเราไม่ได้อันนี้เนี่ยมันมันอาจจะไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยหลายเรื่องมันก็ไม่ใช่เรอดีตไม่ใช่เรื่องนานคนมันเป็นยังปัจจุบันแต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปยึดติดสมัณฑนไหลในควปัจจุบันในทางที่มันเป็น อันยิ่ถงถ้าลงคือว่าเป็นทุกขเวทนา น, นีเรายึดติดว่าเปเราเป็นของเราเราก็จะทุกขึ้นมาชันงทีความเจ็บความัวเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องทําให้เราทุกขคือเป็นแค่ทุกขที่กายแต่ว่าไปไม่ถึงใจถ้าเราไม่ไปยึดเขราว่ามันเป็นเราเป็นของเรา แต่ทำไมเราไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นของลักได้ถ้าพูดอย่างนี้เพราะง้นเราือว่าเราเผลอไปเราไม่รู้นะเราเผลอเราไม่รู้ที่จริงป็นความเผลอหรือความหลงหรือความไม่รู้เนะี่ยมันคือตัวการสําคัญที่ทาให้เราเป็นผิดในสามสีลัก ษ, ษณะที่พูดมาต้องบอกที่เรื่องนี้ที่ ค, ความเผล อ, อความไม่รู้ความหลงอนะรู้ว่า ก็รู้ว่าไอา้การไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่ดีิถึงคำตำเนิฉันถึ ง, งของที่หายไปยแล้วเนี่ยบางทีเราก็ร่วงไม่ดีนะแต่แว่าก็ผลึกไม่ได้เพราะว่ามันเหลือกำลเหลือกำลังทำงานกำลังตรวดมนกาลังคุยกับเพื่อนกำรักินข้าวแต่รัจวจางก็แถึงเที่หาย ครือคำตำหนิําดาวว่าของเพื่อนนะกำลังจะนอนอยู่อยากจะนอนให้หลับแต่ว่าใจมันก็ออกเื่ไม่ได้ถึงเรื่องไนดีที่เวลวร้ายที่ไม่ถูกใจอยู่ไปกําวลถึงเรื่องอนาคตว่าพรุ่งนี้เราจะทำยังไงเราพร้อมงานเราเสร็จรึยังพรุ่งนี้อนะอดคิดไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ดูความตั้งใจแต่เป็นความเกิดมเป็นความให้ความไปเช็ดติว่า ว่ามันจะเป็นเราเป็นของเราเป็นของเราทีม่มันผ่านเป็นปวดของเราเราเป็นผู้ปวดอันนี้ก็เป็นนอความเผ่อนหมืกับนนนะความเผลอและเ ร, เราจะเราจะทำยังไงถึงจะไม่เผลอก็นกเกนีกัในกรณีการติดศิรรู้นะเมือรู้เมื่อไหร่ให้ความเผลอมั น, กนเกิดขึ้นไม่ได้รู้เรียหรือได้เรียนรู้ไนดะ้เวลาเราเรลยนบาลก็ตามเนี่ย เมือเ่อใดก็ตาเราละลกมขึ้นมาการเรียก็หมดไการเรียนแต่ละลืมจเป็นปฏิปักษ์ละลืมใจเการรู้เ่ยราจะสิคู่กันจะเดียกความเรียนความหลงก็คูคคค่แต่ละลืมใจแล้วก็รู้ขึ้นมาเนี่ยมัก็จะชยทาให้ให้ความเฉลิที่ยึติต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะเม่ามันมาลายายไป มาโกรธเกิดขึ้นนะถ้าเราเรารู้นะเราก็ไม่เขาเ้าไปเต็มมันนะเราก็ไม่เข้าเปเต็มมันแต่ที่เราเป็มโกรธก็พเพานะเราเผลอก็เข้าเปเต็นควนะามที่ความติดเนี่ยมัเนเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราความเผลอ นะบางคนเกิดไฟไม่ขึ้นมาแต่ไหมขึ้นมานีไม่ได้ผลอะไรไงแต่ผ ล, ผลโภขถ่ายวมผลเพื่อรัพซึ่นราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าที่มันมีนโฉนดมีเพชรมีทอที่ที่จ น, น่าจะคิดถึงมีน่าที่จะเอามา แต่ก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ขมาเกิข right? well, right? right? นโผล่นหายขนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งหนักทำไมถึงเป็นเนก็เพราะความเหลือความดึงตกใจอะไรที่อยู่ใจีพกขนไมกอนแล้วขนล่ามดีก็ยังวางไม่ได้ในท่นก็กอได้เนื่งแหละในตัวต้องมีคนมาเกือนว่าวางได้แล้ววางได้แล้วรู้ความไม่รู้ควา ถ้าถ้าเรามีสติความระลึกได้เนี่ยมันจะช่วยมากเรามีความเจ็บความปวดเนี่ยถ้าเราเห็นความเจ็บความปวดว่ามันเป็นเรื่องว่ามันก็อันเนื่องว่ามันก็เป็นเวทนาว่ามันที่ของกายไปใจก็ไม่ปวดด้วยใจก็ไม่ทุกข์ด้วยสติตที่มันช่วยทําให้เราเป็นทำให้เรา ถ้าไม่เราไรีว่าวางระ ย, ยะนะไม่เข้าไปคุกเข้ากับกับทุกขเวทนาแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่มีสติเมื่อไหร่มันก็ก็ไปจมอยู่กับทุกขเวทนาเมือนเราเข้าไปอยู่ในกองไฟตู้อยู่ในกองไฟก็ทุกทำไรที่จะไม่สุด ก, ก็ต้องอขอกออกหายจากกองไฟกินหาจากกองไฟมาเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่นอนนะ ที่ถามเท่าไหรก่ก็ก็แค่รู้สึกตูหรือว่าอา จ, จะรู้สึกรสึกความร้อเลยทุกเวลานี่เป็นกองไฟ่ที่เราทุบอยู่เสมออยู่บ่อเพเพราะเราเขาไปอยู่ในกองไฟคือเขาเป็นคุกคล้าความรู้ตอนน้อนไม่มีสิิขอาคามเสือเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะ ที่จะถอนใจออกมาไม่ไปยึดไม่เป็นติดเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวเราของเรา <st ess os> การขอนใจอมาเป็นแค่ผู้ดอูอยู่ผเนมันมันจะช่วยมามีผู้่วยคนนี้เนี่ยเป็นเป็นมะเร็ก่อนแล้วก็โดนโรคซ้ำกรซัดหลายอย่างก็คือเป็นมีโรคแทรกเข้ามา เป็นปลอดรวมนาทุ่นปอดการรักษาเรือปลายก็ทำให้มีปอดเจ็บปวดนั่ต้องเอต้องเอาเข็นไปดื่มเทอร์นในปอดมาความอารมณ์มะเร็งนี้พวกก็ทําให้เจ็บวดทุกเทอร์นไปแล้วผู้ป่วยท่านนี้ก็มีวิธีการก็คือบอกว่าบอกว่าเอาเอาสติมาตั้งไว้ที่เอาใจมาตั้งไว้ อยู่ที่ไหล่ส่วนมาบนี้คือถอนใจออกมาเป็นผู้ดูกายถอนใจอกมาดูกายดูกายที่มันเจ็บปวดโดยการนึกสนภาพนะครับว่าเอาใจมาตังไว้นสนตวหยแล้วก็มองมาที่กายเูตการที่เสิดเราต้องรว่าใจมัวอยนะเพราะว่าใจถอนมาแลมันนะเป็นแค่ผู้ดูกายนะแต่พวก เ, เนื้อมไหล่แหงาใจก็เข้าไปโยงกับกายทังหม แต่พอมีสติตั้งตมวได้ก็ถอนใจ่อกมาดูกายนี่การอันนี้เป็นการคล้ายๆการพินตนาการขึ้นมาเสริมกับการมีสติแค่เนือยก็ว่าเราถอจออกมาดูกายแต่ที่จริงตัวที่ดูกายนี่ก็คือสติเท่านั้นมีแค่มืสติมันแล้การดูก็เกิดขึ้น่ถ้าม่มีถ้าไ่มีสติเมื่อไหร่ก็เป็นๆเมนั้นก็กือวใจยึดเอาความสุขคามโกเป็นเาเปห การที่เรามีสตินเนี่ยมันเป็นผู้ดูโยบ่อยโียบ่อยนะอะไรที่อะไรเกิดขึ้นตัดใจก็ดูมาอะไรเกิดขา้นตัดใจก็ดูดูอย่างเดียวเพรการดูเนี่ยจะไม่ทาให้ถูกสูเข้าไปเข้าไปเต็นเขาเป็นเขาเป็นเต็มหรือไปยึดเอามันว่ามันเป็นเราเป็นของเราว่ามีความเจ็บปวดของเรามีความทุกข์ของเรามีความกัวของเราเราจะถู ก, กล เร <Workers. S 2> ื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมเรียกเกิดจากการคิดเองเกิดการปฏิบัติเกิดาการปฏิบัติาจริงๆที่เราปฏิบัตินั้นเนี่ยอาดูเกี่ยวข้องกับการะสดความเกิดความปวต้องนนันการที่เราจะเสด้วยการเดินกรตามอใจสมาธิอีกเป็าพอมีสติเป็นผูู้ ดูอะไรดูความรู้สึกควาที่เราปลุกแต่งคือแต่ก่อนเราไม่ไม่เน็นเมก่อเราไม่ยืนเมื่อเราไม่ยูนเม่หเราเราก็ไป็นเงเราคิดเรื่องอะไรเป็นองนั้นเรายึกเรปกแต่งว่าเราเป็นตัวละครกันจริงเมือนกัเราดูละครทีแรกเราดูละครจะ่ตมาเราโตเข้าไปเราเป็นตัวละครด้วยเราไม่ใช่แค่ดูละครแล้วก็ร้องผมร้องให้ไปตาตัวละครใชแต่ว่าเราเสิร์เขาเอยู่ไป็เล่นในเล่นใน บนเวทีนั่นเลยแต่ถ้าเราเป็นแค่ผู้ดูละครแต่ถ้าเราดูในสติเนี่ย<ม>เราก็ไม่ได้คิดอ t แต่เราหไปได้ที่เขาไปเป็นตัวละครนั่นเองอันนี้ เ, เราพลาดไปโดยเราคิดรง่งขึ้นมาในใจในขณะที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าเาเห็นมั น, นมันก็ทั้งไม่แสบคลายก็มะมลายหายไปแต่ เราอดไม่ไ ท, ไญญที่จะเกิดก็ไปสะทิษเอาคากิดเป็นเป็นเราเนของเร า, นะานี่แตกเป็นการกเพื่อใหกิรียนรู้กับความสมมติคิดรวมกเวทนะที่เกิดขึ้นนี่และมนจะเป็ครื่องเนใจเราได้ได้ได้รับมือกับไอ้ทุกเวทนาแรงแรงเข้มขนที่จะเกิดขึ้นกัญญ า, าที่เราเก็บเาปวยกที่เราแช่ ในยที่เราประสบกับเปลี่ยนได้ทันทันซึ่งสียงเหล่านี้ต้องเกิดจากการสะสมเรื่อนี้ในชีวิประจําันการการมีการมีสติเนี่ยถ้าเสริมด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะช่วยได้บางทั้งปัญญาใหม่ๆก็จะเป็นปัญญาที่เกิดจากความบั ง, บงเฉยๆแต่ว่ามันช่วย ท, ทำให้เกิดแนวคิดเหตุการที่เรารู้ได้ดนได้ฟังมาว่า ความทุกข์มันไม่เทีย่ยงนะแล้วการที่เรานี้ยีนฟังว่าความทุกข์ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เนี่ยเมื่อเราได้ฟังแล้วแล้วก็เราได้ปฏิบัติตามไปด้วยจากการที่เรามีสติตรู้กายรู้ใจที่เราปฏิบัติการตอนเช้าตอนกลางวันหร้อตอนนอนเนี่ยมันก็นช่วยทําให้เราไม่เหอยนะแล้วก็ยังทำให้เรา ไม่พัดเข้าไปในความยึดนิดเราจะเป็นเรื่องอีตนานเราจะเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเองเรารู้ว่าออนนี่เป็นแคความสรางขึ้นไม่ใช่ความจริมันมีความเป็นไปได้อย่างอื่นด้วยไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ยึดติดกับสิ่ที่เราบุกแต่งขมาในามความการ ท, ท, ท, ที่จะการที่จะ ป้องกันไม่ให้สิ่งเดียวไล่เสร็จกระบวนกนารเป็นเรื่องยาในวันเป็นปรูปธรรมนามธระมเท่ากัะแต่สิ่งที่เราทำได้คือการที่เราต้องมาสุกต้องความปวดเกิดขึ้ น, นก็นม่เป็นไรนั้นปวดก็ปวดไปแต่เราไม่คิดมันตอนนี้คนถามมือคูดบูนตอนนี้อตอนเาก็ปนที่ามนี่ยเ า, นน า, นนา ก, ก็อยู่เาใจอยู่เรืองนเาเรื่องนีแล้วว่าท่านเป็นอะไร ต่อถามต่อสัมัสว่าหลวงปู่มีโกรธ้หมต่อสั่นสมั้ยมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาพวกเราเนี่ยตายไปเท่านึ่ีเรามีแล้วก็เอามีแล้วก็เอา <c oughs> เอาเพออราะเพราะเราเสอเพราะเราเสืเาีิเพราะเราไม่สนเราอวมันเป็นาเป็นสิ่ัญ การที่เราเรียนรู้เรียรู้เกี่ยวกับารสร้างสติมาเพื่อให้เลับในการปล่อยได้งาาเข้าแต่การปอเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องัใจช่วยาวาสิกนนบางครั้ตองสัยูแสบบต้องอาศัย เราที่น่าสนใจนะก็คือมีอันนี้ก็เกิดขึ้ที่โกเมีคุณป้าท่านหนึ่งแกสเสียเสียก็อุรเสียสามมีชิงเสียลูกเสียทุกอย่างสรัพสมบัติจากติดไว้ที่โกลเด้เมื่อสิบีีแล้วหมดเลยทั้งไม่เหลื อ, อเลยเลยเอาตัวรอดมาได้แทนที่จะดีใจว่าตัวชกรเสียใจทุก เพราะว่า ถ, ถึงถึงลูกถึง ส, สมามีถึงทั้งสองฝ่ายผ่านไปแล้วเป็นเัือนเป็ปี mm. ก็ยทําทใจไม่ได้ก็มีคนมาแนะนาว่าให้ปล่อยวามันผ่าไ น, น, นไปแล้วมันจะยังอยู่ไปแล้วเก็บแต่ไม่ได้ทำเพีแค่แคทต้องใจไม่ได้ปีปีกนะ็ยังเศร้าสูงมันชี้ดูยังซาบตา ลึกกว้าตัวถาตายฉบริการก็จะมีที่ทำแล้วก็ก ว, วันนึงก็มีเพื่อนเนี่ยก็มาแนะนาว่าเนี่ยที่ที่มันเกี่ยวตัวนี่ก็มีว่าต้นนี้นะวันนี้เนี่ยมีคนชอบไปชอบไปชอบไปสะดอกก็พิการสะดอก เ, เนี่ยก็ให้ก็ก็ไม่เหมือนวักอื่นกะ็คือว่าเขาจะมีจานดินเผ จานดินเผา่ท่นาผาใค ร, าารษษษต้องการไปสลดเขาก็ไปเขียนไอ้เคราะห์ต่างๆไปที่จานแล้วก็เหวลไปที่หน้าผาเลงไปเพื่อว่าให้มันเคราะนั้นออกไปจากจากทีวิแต่ก็กออกที่เ้นีัว็ลองทำทุกอ่แต่สิ่งที่ต้องการชีวิตไม่ใช่เคราะแต่สิ่งที่เขี ย, ยนลกบนจา์ จสมา แ, แ, แ, แกจะกเนี่ยก็อสิ่ที่เกินบวกกันหมดสิ่ที่เกินนี่ารไม่ถึงเสมอทีกเราเขียนเขียนบ้า น, เ ข, า น, ขานาเขียนอ้อมบ้านลงไปในกระดาษในนในัวเคลื่งิเผาในกาเนียเเขียนลงคองเขียนที่ดินเขียนเนาทีะทละลงไป อาจารย์จะระบายะะบายจ้กียวชื่อของลูเชื่อสามอาจารย์แต่แล้วก็ได้่อยค่อยล่นอาจารต์จะระบยะระาที่ห้าสารที่แลก็ ก็ไม่ชิดมาันึกถึงลูกยังนึกสามีแต่ว่าใตอกอันนี้มันัแวยาิกรรมบอมันก็ทให้สามีลืนได้อันนี้สอบคนอีกเขาม่ได้ปฏิบัติมแต่ารู้ว่าการใช้การทใจเดี่ยวนี่ไม่มีกลังพอสเต็ันยัมีกำลังพอก็สายทเส็นจีลูกช่วยทให้ ความทุกออกในจากใจเป็นความทุกที่เกิดทุกข์อันนี้ก็ก็เป็นก็สรุปตรงที่ว่าความทุิขเนี่ยมันเกิดจากความทกิและสิ่งที่เร า, า, ร แ, า, รลาและการที่เราแก้ที่ได้จุกการร้จักปล่อยรู้จักวาและการที่เราจะปล่อยเราจะวางได้เนี่ยเราก็ อ, อาใสยสติอาศัยปัญญา ที่ทาให้เราไม่เจอทให้เราไม่หลงแล้วก็เรายึดมันคเพราะไอ้การที่ติดกเป็ต่อเของเราอันนี้เป็นตัวการสำคัญที่สุดเลยที่เวลาเลยที่เราทุกอเพราเาไปยึกติดกเป็นเราเปของเราตั้งแต่ของที่หายของที่หายมันไปยติดว่ามันเป็นเราเ็ของเราี่ยมันหายไปแล้วเ่ยก็ยังก็ยัง ก็ยังรู้สึกเสียาะเาไปคิดว่านเป็นเราเนขอราันนี้คือสที่เป็นที่เป็นที่ชื่ที่นรูปธกคนคามิดวเป็นเราเนของเราไม่คยมีมันไม่ใของแม่ของใครอีกแวนะม้งของที่เราให้นศรัทธาถายเนกพลายในให้รัดถฉายของให้รัตเายอาหารให้ร ถวายแล้วยังคอดืมว่าท่านฉันด้วยแท่านไปัทุนนะเพราะเราคิดว่าเป็นของเราอยู่ใชเป็นของท่านแล้วท่าจะฉันได้ยังงท่านม่ยมทำ่เพราเราไม่ยอมใจเนี่ยดน้วามคองเสค่านะรัปะานของที่มัน่ายยที่เราไม่ตั้งใจของที่เให้ไม่ตั้งใจเยอมในี้ที่เป็นวบริจาคเ่เลี้ยนขอวเขียนชื่อเราลงไปด้วย อย่างที่คุู้ก็สมัก่อนเนี่ยนะเกี่ยวกับการปรานังพรชินนาราุะลกที่ิเศษันาไปอย่างล้นโลไปนในในหลอว่าแต่ปัจจุบันนี้แค่เงินจี้าความแล้วเกียเชื่องไปวเพราะเราเราเิดติดว่ามเป็นหลอสของเราและตรงนี้เนี่ย ถ้าเราเริ่มมุ่จับที่จะใส่อาสุว่าสห้เรารู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เฉพาะสิที่เป็นลูกระทํานั้นแต่สิ่งที่นมาทด้วยแต่ก็ด่บแปลว่าสิ่เราเป็นของเราเราไม่ใช่เป็นสิ่งดีๆเองไอ้สิ่ไม่ดีเราไปโย็าของเราู่หลังเกาเสสมสันี่โยน็เราเ็นขเรา่มันาไปใจเพมันให้เพมันให้ประโยชน์กัเรา แต่ที่มันเป็นโทษกับเราความปวดความเจ็บความปวดความเครียดนะความเศร้าความสศมนี้เนี่ยมันไม่น่าไม่น่ายึดเหนี่ยแต่เราก็ยังเกิดยึดคามเป็น เ, เ, นเราเป็นงแล้วก็ไปมันขึ้นัง้งซ้ำเติมจิตใจเอลองดูดีๆนะสิ่งที่ไม่น่ายดเี่ที่ ม, มันเป็นของนราเยอ แล้วเราทสศัตรูเนี่ยเราพิเป็นศัตูของเราสุณไม่ได้ยึ่เลยนะนี่เป็นของเรานี่เป็นพ่อในหองามตือห้องวามหลงแล้เราถ้าเรารู้แั้เนเราเรามีศัเมื่อแลรวเราก็จะรู้ว่าเราเราทำในสิ่งที่โง่ๆไปเยอะแต่เวลาที่เราจะชนะมีความผิดผิหรือผิดที่นั่นนี่แหละถ้าเราถ้าเรา มีความรู้มีควาปัจจัยอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่กลั ว, อ, อ, ะละลว อ, อ, อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่กเพราะเราไม่ไม่เราไม่ไปยึดไม่ไปเอาไม่ไปครมันแล้วก็มันเป็ น, อนของเรามันก็เป็นสักแต่ว่าสิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่หาออกไปจากเราเแต่ที่พู้บ้านผู้คนที่ยังมีเราอย่างงี้ถึงที่เสืมมันต้องไม่มีเรา ก็แก็ที่ท่านเมหลามบอกว่าเนี่ยถ้ามันมีใจนิาใจนี่งเหมือนเต้นเกิ่ใจมันกระจกเนี่ยมันก็จะต้องช็ดต้องล้างกระจกเรจะมองคอยมีคนที่อยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องเติมก็ก็แปลว่าก็ต้องคอยระวังไม่ให้มีก้อนมากระแทกกระจกก็ถ้ากระแทกกระจกกระจกก็ลางเรือจะแตกแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันอ่ะร้องว่าถ้ามาันมีกระจกเลยตั้งแต่แรกเ ม, ม, ม, มันก็ไม่มีุณมะจับมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีมันก็ไม่ต้องคอยระวังว่วาฝนจะมาตกกันใค่ไหนแพราถ้ามีกระจกตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องกลัวว่าอนจะมาตกกับแค่ไหนแต่ให้เราไม่ต้องกลัวว่าฝนจะมาจัปไปก็เหมือนกับ ถ้าเกีย่ยวกับยนชุดมือของเราเนี่ยมือเรามันก็มีทั้งหลังมือแล้วก็้ามใช่ไมนะัมฮหลังมืออาจจะเลี่ยวไปกับทุบนามหรือกรสุนใครที่ต้องการสุกแต่ไ ม, ม่ต้องการทุบมือมันก็กำลังต้องการให้มีแต่ห น, นามแต่ไม่มีหลังมือซึ่งจะแต่รู้กันไ ิธีเดียวที่จะไม่มีไม่มีหน้ามือมานไม่วิธีเดี่วที่จะไม่มีหลังมือก็คือไม่มีมือแต่แรกเพราะแต่ละที่มีมือยู่เนจะองให้มีแต่หน้ามือจะไหลังมือเปนม่ได้สองเมื่อไม่มีมือเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีหลังมืสองก็ยิ่งสอก็ไม่มีตัวเราเนี่ยมันจะมีมมีทุกแต่ละที่มีตัวเรา même, อย you, be, bits, ู่ที่มีทุกอยู่จะลังสุขอ่าดียวยที่มีทุกันจะได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีมา่ตั้แรกเนี่ยมันเป็นากปัลกปกันสูงสุจะมีด้นม่มีตัวไม่มีไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ต้งแต่กนั่นเองอันนี้มันเ็นเรื่ที่ละเอียดมากซึ่งจหลายท่านก็คงได้ฟังเรืนี้มแล้วก็ พกลายมการตัวยึติดองเรามีเรามีตัวเราอยู่แล้วก็อคือรางเงาหรือมารดาของความทุกข์ทั้งปวงดูความตัยึดติดว่ามีเราก็ใช้ตัวยึดติดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราเป็นของเรานั้นแต่ก็มีเราถ้าเวลสเการที่ทำให้เกิดาทุกข์ขึ้นึงต้องอาศัยการสลัการวางด้วยตัอย่างโสิปัญญาอ ก็แต <łość> ่นี้ก็เป็นยังที่ยาก็คงจะไได้ในเวลายที่ก็เลยนมา้แล้วก็ทีที่มัรอก้าู